ถามว่าชาวนาอันเนี้ยออกมามาเป็นกรรมเนี่ยคืออะไรบ้างอะ่ะก็ถ้าล่วงมาทางกายถ้าทำวินยัตนะถ้าทำวินยัตเรียกว่ากายกรรมถ้าเปล่งมาทางวาจาล่วงมาทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมถ้านึกคิดทางใจเฉยๆไม่ล่วงวินยัติรูปเลยเป็นมนโนกรรมเนี่ยนะก็เป็นกรรมสามนี่นะ เพรัะเจตนาที่เราคิดหรือพูดหรือทําของชาตินี้นะสามารถให้ผลในการเห็นการการรับอารมณ์การพิจารณาอารมณ์ต่อได้หมดเลยเนี่ยนะนี่ผลของของเจตนากรรมในชาตินี้เนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่อย่างที่สองนะก็สามารถให้ผลเป็นโอปัจชะ เวทนิยกรรม อ, อุปชาเวทนิยกรรมนั้นก็ให้ผลให้ผลชาติหน้าถามว่าจิตเห็นของเราที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นผลของกรรมที่เป็นอุปชาได้ไหมได้แต่เป็นผลของเจตนาของชาติที่แล้วเห็นไหมเจตนาในชาติที่แล้วสามารถให้ผลมาเห็นมาเห็นในชาตินี้ได้ มารับอารมณ์ในชาตินี้ได้มาพิจารณาอารมณ์ในชาตินี้ได้อย่างนี้เรียกว่าอุปชาเวทนิยกรรมเนี่ยนะมาเห็นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปส่วนอีกอย่างหนึ่งคือชาวนาดวงที่สองถึงดวงที่ห ก, ก็เป็นอะปราปริยะเวทนิยกรรมเนี่ยนะอะปรานะบอกอปราอปร ะ, อป ร, ะอปริยะเนี่ยนะ ก็คือกรรมที่มันให้ผล่ะที่มันเลยไปอีกอ่ะนะก็คือชาติที่สามเป็นต้นไปน่นะถ้าจะกล่าวโดยรวมๆง่ายๆว่าจิตสามดวงนี้คือจักขูวิญญาณสัมปติชนนะสันติรณะมาจาก มาจากพวกนี้ได้อันนี้แบ่งให้เห็นนะไม่อดดวงที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยไม่จำเป็นต้องในวิถีเดียวกันแต่ น, นี้มาพูดรวมให้มันเบ็ดเสร็จเฉยๆฉยเนี่ยนะเาว่าไม่จเป็นต้องเป็นวิีเดียวกันคือที่เราพูดเนี่ย ถามว่ากระถาที่กำลังเน้นพูดเนี่ยกำลังพูดอะไรตอนนี้นะถ้าว่าจริงๆนะวัตถุประสงค์ของผู้แสดงเนี่ยกำลังแสดงอะไรอยู่จับอันนี้ก่อนอนะ้าตั้งคำถามอันนี้ขึ้นที่ที่พูดไปตั้งเยอะเลยเนี่ยนะอยากให้รู้อะไร อ, ะอยากให้รู้จิตสามดวงนี้เมื่อพูดถึงอเหตุตุกจิตสามดวงนี้จึงกล่าวว่าเช่น จักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องของในวิถีเดียวกัน น, น, นะนะหนึ่งในเจ็ดเนี่ยนะอาจจะดูชวนาดวงที่หนึ่งแต่ของชาตินี้ก็สมมติถ้าเราเกิดมาส0สิปีเนี่ยนะไม่รู้ว่าดวงที่หนึ่งตลอด30สิปีอะมันมาให้ผลได้เนี่ยนะทีนี้ถ้าเป็นอุปชา ข, ของชาติที่แล้วอายุชาติที่แล้วเรากี่ปีดีอ่นะสมมติถ้าอายอุยืนหน่อยนะเอาแปดสิบเลย นะดวงที่เจ็ดของชาติที่แล้วแปดสิปีเนี่ยนะสมมตินะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะทีนี้ถ้าดวงที่สองถึงดวงที่หล่ะตลอดแสนโกรธกับแสนโกรธกับเป็นอันมากก็อบอกว่าเป็นอนเนกคือไม่ใช่หนึ่งเนี่ยนะ ก็มาจากชาติไหนก็ก็ก็ก็ช่างเถอะไม่จะก็อาจจะเมื่อกี่พันล้านโกดกลับก็ได้นันะอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยพระพิสุที่ที่บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยนะที่บอกว่าท่านเกลียดแม่ของท่านนะนะพระพิสุรูปนั้นเนี่ยสมมติว่าเกิดเป็นคนก่อนแล้วไปเกิดเป็นงูจากงูเป็นสุนัข สุนัขเป็นโคไงนะแล้วโคเป็นมนุษย์ไม่ใช่กรรมในชาติเหล่านี้มานำเกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะอะไรเพราะเกิดเป็นคนชาตินี้ไม่ได้ทำดีอะไรเท่ า, ราไรไว้เลยห็ยนไหมเกิดเป็นงูก็ไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นสุนัขไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นโคก็ไม่ได้ทำบุญอะไ ร, เ, ร, ไไะไรเพราะฉะนั้นชาวนะดวงที่ที่มาทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ แล้วเป็นผ้าอารหันด้วยเนีย่ยนะอันนี้ปฏิเสธอันนะที่เกิดเป็นโคเนี่ยนะดวงที่เจ็ดก็ปฏิเสธอนะดวงที่สองถึงดวงที่หกของชาตินี้ก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นถอยหลังไปอดีตชาติไปทำพุทธบูชาหรือไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะไอเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่หกตัวนั้นเนี่ยมานาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ บุญมากเพราะพระพุทธศาสนาฟังธรรมตอนหลังก็ปฏิบัติ บ, ตบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แั้ก็ดวงที่สองถึงดวงที่6เหล่านั้นเป็นปัจจัยแต่ว่าอเฉพาะใกล้ๆนี้ไม่มีเลยอ่ะเไมไม่มีเลยแต่นี้ที่เรามาเรียงเนี่ยคือเรียงให้มันเห็นเห็นเฉยๆหรอกนะเพราะถ้าจะวิเคราะห์ จิตเห็นที่เรากำลังเห็นโดยเฉพาะเห็นรูปารมณ์ที่เป็นตรงนี้นะต้องเป็นอะไรอ น, นิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่น่าดูไม่น่าเห็นเลยเนี่ยนะตัวอารมณ์นี้ก็เกิดจากอะไรสมุธฐานสเช่นเห็นอะไรดีเมื่อคืนนี่แมวมันมา น, นี้ไม่มา่า น, นเช่นเห็นแมวก่อแล้วกัน เห็นแมวเนี่ยนะแมวจริงๆอ่ะตัวรูปของแมวสีของแมวเนี่ยสมุทฐานสี่ น, นเกิดทั้งจากกรรมจิตอุตตวอาหารตาของเราก็เกิดมาจากกรรมอีกเรื่องหนึ่งเลยอ่ะที่ที่ทำให้มาเกิดตานี่นะมีตาเข้าเนี่ยนะที่เกิดจากบุญเกิดจากกรรมอีกเรื่องหนึ่งแมวก็มาจากอีกเรื่องหนึ่งเลยนะแต่ว่าทั้งสองนั้น่ะมาเอ่อตาเนี่ยในฐานะเป็นวัตถุ สีของแมวในฐานะเป็นอารมณ์กรรมในอดีตเนี่ยจึงให้ผลเนี่ยนะเช่นชาวนะดวงที่หนึ่งอ่ะจึงมาให้ผลได้หรือชาวนะดวงที่7ดของชาติที่แล้วมาให้ผลเห็นได้หรือชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่6เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วจึงมาให้ผลเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมันมีมาก แต่ในส่วนที่สำคัญตรงนี้คืออะไรคือกรรมมสัสกตาเนี่ยถ้าไม่มีกรรมมสัสกตานะเราก็จะมาวินิจฉัยเราก็โทษอะไรตาเราไม่ดีบ้างสีไม่ดีบ้างการเห็นของเราเจึงไม่ดีเราจะมาโทษอย่างใดอย่างหนึ่งะนะโทษสารพัด ท, ที่จะโทษขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอะถ้ามองในแงว่วิบากมาจากกรรมที่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามองในแง่ประโยชะนะมองในแง่ประโยคะ ไอ้จักขูวิญญาณหรือจิตเห็นที่จะกว่าจะมาเห็นอย่างเงี้ยนะก็เหลือบตาไปดูเองเนี่ยหรือลืมตาดูเองอ่ะนะหันไปดูเองอะไรไปดูเองอะ่ะอันนั้นถือว่าเป็นประโยค่าให้ให้กรรมให้ผลเนี่ยนะอันผู้ที่รอบรู้ในจักขูวิญญาณจริงๆอ่ะนะองค์ประกอบเนี่ยมากถ้าถ้าจะเข้าใจในจักขูวิญญาณ ในความเป็นสังขารธรรมแต่เฉพาะในส่วนพิเศษผู้ที่จะรู้ละเอียดปัดจจัยตัวนี้นะคือกรรมมปัจจัยเนี่ยผู้ที่จะรู้ละเอียดโดยกรรมมะปัจจัยจริงๆอะ่ะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้รู้เลยคำว่ารู้ละเอียดหมายถึงว่าพระองค์รู้เลยว่าที่ลืมตาเห็นนะสมมติอย่างลืมตาตอนนี้นะลืมตาเห็นเนี่ยไอ้ที่เห็นครั้งเนี่ยเป็นผลของเจตนาเมื่อชาติไหนเวลาเท่าไหร่ทาบุญอะไร หรือไปทําบาปอะไรทานหรือศีลหรือภาวนามาทำให้ผลเป็นอย่างนี้นะพระองค์จะบอกได้เป๊ะหมดเลยแต่ของเราเนี่ยก็บอกได้ตามตามที่ตามแนวที่พระองค์บอกว่าเออนี่เห็นรูปารมณ์ที่ดีเป็นผลของบุญนะรูปารมณ์ที่ไม่ดีเป็นผลของบาปนะก็ก็แค่ธรรมดาง่ายๆวะเอาสมมตินะยกตัวอย่างคนที่รับคนที่ทํางานกินเงินเดือนเนี่ยนะ เงินเดือนสมมติว่าสมมติอันหมื่นหนึ่งในเงินเดือนหมื่นหนึ่งที่เบิกมาแล้วก็ใช้ประจําวันเนี่ยนะสมมติว่าใช้วันละ200บาทอันนะั้นทำงานโดยปกติทั่วๆไปก็ประมาณ30วันใช้วันละ200บาทกินหนึ่งส ม, มมติว่าทํางานวันที่หนึ่ง อันนะใช้ทำงานวันที่หนึ่งของเดือนที่แล้วไอ้ที่มากินเนี่ยคือวันที่หนึ่งของเดือนนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหม ค, คุณชูไม่ใช่หรือว่ามันเหมารวมๆกันเอาไงเอาเราทำมากับมือไม่ใช่เหรออ น, นะันรู้ไหมเรารู้ไมเออเนี่ยมือกลางวันที่ทานไปเนี่ยมันเป็นแรงงานของวันนั้นวันที่ไปเข็นรถหรือไป ไปเขียนอะไรหรือไปคุยกับใครหรือว่าไปเดินไปเซ็นเชื่ออะไรเนี่ยนะมันเป็นผลของแรงงานเม็ดไหนเอาเอาแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นผลของแรงงานอันนั้นอา่ารู้ได้แต่ถ้าเป็นระดับพระพุทธเจา้าบอกไว้บาทนี้ที่คุณทานเข้าไปนะมันเป็นผลของเม็ดเหงือ่อเม็ดนั้นอะ่ะรู้ตอบได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ของเราก็รู้ได้ลักษณะนี้ รือว่าเออเนี่ยมันเป็นผลที่เป็นผลจากแรงงานของเรานะที่เราทำมาเราจรึงกินอันเนี้ยขึ้นแต่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าเอาอันนั้นนะเป๊ะเป๊ะอะไรยงไงไม่ไม่แต่รู้โดยโดยตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้แต่ไม่ต้องไปถามเอารู้ได้ยังไงมากละเอียดนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราไม่รู้นะในโลกนี้มันมากเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอจะไปสงสัยในลักษณะโอ้แล้ว แล้วมันจะให้ผลกี่ครั้งนี่แล้วมันจะให้ผลกี่รอบนี้แล้วมันชาวนะดวงไหนไม่ต้องไปถามอะไรให้มันมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าแค่ไอหยาบกว่านั้นเรายังตอบไม่ได้เลยนะไม่ต้องพูดถึงละเอียดในขนาดนี้แต่ให้รู้รวมๆ ว, ว, ว่าการเห็นที่ดีมาจากเหตุที่ดีการเห็นที่ไม่ดีมาจากเหตุที่ไม่ดีแต่คนที่มีความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนได้อีกนั่นแหละท่านก็บอกได้นะ ว่ามาจากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าประโยชน์มันก็ไม่ค่อยมีมากนะักในการบอกนะมานั่งชี้ชัดว่าเออเนี่ยจิตเห็นของเธอนะกรรมนู่นมาเออนี่เธอได้ยินอีกแล้วอนุน์กรรมนั้นมาให้ผลอย่างเงี้ย น, นะถ้ามานั่งพยากรณ์อย่างนี้ก็สไยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องถึงอริยสัจสักทีหนึ่งอ่ะนะก็นั่งบอกเลยนั่นนะนั่งไล่ลําดับกรรมอย่างนั้นหละแต่บางอย่างไอเจตนากรรมหนึ่งครั้งเนี่ย มันสามารถให้ผลซ้ำๆกันเนี่ยได้กี่ครั้งบางอย่างมันให้ผลซ้ำๆกันจะเป็นแสนโกรครั้งก็มีเป็นแสนโกรครั้งนะก็นับว่าน้อยเนี่ยแสนโกรชาติเนี่ยอันนั้นก็มีอีกเหมนกันบางอย่างมันให้ผลซ้ำๆกันแสนโกฎชาติเพราะฉะนั้นเองลักษณะที่ใครใครมานั่งคิดว่าฉันจะใช้เวรใช้กรรมกันแล้วกัน ฉันนี่เสื่อมากเพราะฉะนั้นท่านทํากรรมอะไรชั้นก็ยินดีรับกรรมอันนั้นหมดเลยเอาไหมหมอผู้ยุพินเอาไหมหลับตื่นยังไมนอะใช้ไม่หมดนะที่พูดเมื่อกี้คําเมื่อกี้นี่ก็ใช้ไม่หมดแนละ้วรอใชเ้เถอะถ้าใครจะรอใช้กรรมเก่านะเพราะฉะนั้นมันมีใช้ไม่มีหมดไม่มีสิน้น เพียงแต่ให้เรารู้ว่าเออเมื่ออาศัยจักขู่กับรูปจิตเห็นจึงเกิดจิตเห็นเห็นรูปที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลของอกุศลวิบากเมื่ออกุศลวิบากจิตก็เกิดรับขึ้นมา อ, อย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าจักขู่วิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยนะนี่ก็รู้จักเรื่องกรรมไว้หน่อยนะแต่กรรมเหล่านี้โดยมากที่มาให้ผลได้ ถ้าถ้าให้ผลอย่างจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นประวัติการอย่างนี้เนี่ยทั้งครบองค์กรรมบททั้งไม่ครบองค์กรรมบทให้ผลได้หมดเลยเดี๋ยนะให้ครบองค์ก็ตามไม่ครบองค์ก็ตามมีวิบากหมดคือสามารถได้ให้วิบากโดยที่สุดถามว่าแม้แต่เจตนาที่เกิดร่วมกับความฝันนั้นก็ยังมาให้ผลเป็นการเห็นการได้ยินได้เนี่ยนะ ไม่จำต้องกล่าวว่าตื่นอยู่แล้วนั่งเบลอๆคิดไปเรื่อยว่าจะไม่มีผลน่ะนะขนาดหลับแล้วฝันในะเจตนาในฝันยังยังมีผลน่ะนะก็พูดอย่างนี้เผื่อใครจะกลัวเจตนาตัวเองบ้าง เขาข้า ง, างตัวเองตลอดเลยนะไอ้ส่วนไหนที่เป็นทุกข์ฉันจะไม่เอาอ่ะฉันจะเอาเลือกเอาแต่สุขอย่างเดียวอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่อนะ่ะจริง ทนี้ตัวตัวอารมณ์ของเข้าเองอ่ะนะที่ที่ทำให้เห็นเนี่ยสมุทฐานสีนี่เฉพาะเฉพาะสัตว์นั้นๆไปเลยอ่ะนะต้องว่าไปเฉพาะเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องโลกของอารมณ์ก็อย่างหนึ่งโลกของวัตถุคือตาก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะอันนี้เราพูดเฉพาะวิญญาณเฉยเฉนะแต่ถ้าเป็นโสตวิญญาณนะ่ะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวัตถุกับเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยนะ จริงๆแล้วธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยคือธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์เท่านั้นเองเนี่ยนะแต่ที่มาบัญญัติชื่อว่านี้จากขูวิญญาณนะเพราะอะไรเพราะว่ามันอาศัยจากขูทวารเกิดนี่มาเรียกว่าโสตวิญญาณเพราะอาศัยโสตทวารเกิดมาเรียกมันว่าคานะวิญญาณเพราะมันอาศัยคานาทวารเกิดถ้ามันเรียกว่าชิวหาวิญญาณเพราะอาศัยชิวหาทวารเกิดถ้าอาศัยกายะวิญญาณ ถ้าเกิดทางกายทวารเพราะมันอาศัยกายทวาร น, นะที่ชื่อว่ากายวิญญาณนะก็เป็นอย่างนี้เพรื่อนก็เรียกตามทวารแต่ทวาร น, นั้นนนั้นก็อาศัยอย่างหนึ่งที่ไม่ลืมคืออารมณ์ทีนี้อารมณ์ที่เป็นอนิจฐารมเนี่ยมีว่าโดยรวมๆนะถ้ารูปเกิดจากสมุธานสเนี่ยนะรูปนี้เกิดจากปัจจัย4เสียง เกิดจากปัจจัยสองนะสมุดฐานสองถ้าเกล่นเกล่นก็สมุดฐาน4รถนะสมุดฐาน4โพธพะสมุดฐาน4ถ้าธรรมารมนะธรรมารมเนี่ยวิญญาณหกทวิปัญจะไม่สามารถรับธรรมารมได้แต่ธรรมารมมีตั้งแต่สมุดฐานหนึ่งถึงหมดเลย เอกทวิติจตุนะได้ทั้งตั้งแต่หนึ่งสมุทฐานก็มีส 3, 4สามสมุทฐานก็มีนกุโตจีไม่มีสมุทฐานก็มีเ <c oughs> นี่ย น, นถ้าถ้าเรียนไปถึงเรื่องรูปก็โลกของสีก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเสียงก็เยอะแยะกลิ่นรสแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพภธภิภะในทีนี้อุปการะแก่ วิญญาณนี้ด้วยวิญญาณห้าเนี่ยนะด้วยอำนาจอารมมณะปะจัจจัยในฐานะเป็นอารมณะ์นะเป็นที่รองรับผลของกรรมคิดดูนะบุญเนี่ยทำไว้แล้วล่ะแต่ถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้ผลบุญมันให้ผลไม่ได้